มือที่สามเป็นยาพิษไม่ใช่ยาแก้เบื่อมือที่สามกำลังจะกลายเป็นอวัยวะสามัญประจำบ้านในยุคที่ใครๆก็คิดว่ามือที่สามเป็นยาแก้เบื่อมีกันได้ไม่เป็นไรบางคนเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวบางคนรู้เต็มอกว่าต้องเป็นมือที่สามก็เอา บางคนปีนี้เป็นมือที่สามปีหน้าเจอมือที่สามบ้างบางคนอยู่ดีไม่ว่าดีหาหขาใส่หัวอยากมีมือที่สามกับเขาข้อเท็จจริงก็คือโลกที่เต็มไปด้วยมือที่สามคือโลกที่ผู้คนหวดความไว้เนื้อเชื่อใจกันพร้อมจะทะเลาะ ก, กันด่าทอกันเสียงดังแบบตกลงกันไม่ได้เหมือนภัยร้ายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ละคนมีแผลแสบแห่งความรู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่ที่สมานให้หายได้ยากสินข้อที่สามที่ขาดทะลุเปรียบเหมือนการปล่อยให้หลังคาชีวิตรั่วฝนฟ้าและพายุแห่งภัยเวรอาจซัดสา์เข้าบ้านได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโทษสถานเบาแห่งการละเมื่อสินข้อสคือการเป็นผู้ประสบภัยเวร ตอนมือที่สามเริ่มยื่นเข้ามาทุกอย่างดูดีและไม่เป็นไรเพราะมาแบบลูบไล้ให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่ในที่สุดมือที่สามจะค่อยๆเริ่มยึดแน่นหรือกระทั่งบีบให้อัดอั้นตันใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนจะเค้นให้หายใจให้คอไม่ได้คนที่ทุกเพราะมือที่สามมีเกลื่อนโลกไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อด้วยการเห็นกับตา พุทธเราจึงให้ตั้งตาตั้งสติดักไว้ล่วงหน้าถ้าเห็นมือที่สามยื่นเข้ามาหรือใจนึกถลาจะไปหามือที่สามจับก็ต้องเร่งเตือนตอนเองทันทีว่าทุกหนักยื่นเข้ามาแล้วประตูภัยเวรเปิดแล้วชีวิตใกล้จะหมดความสุขแล้วไม่ว่าสัมผัสจะเป็นสุขหลอกตาหลอกใจเพียงใดเพียงท่องไว้ว่านั่นเป็นยาพิษไม่ใช่ยาแก้เบื่อ ไม่รับมาเลยดีที่สุดเพราะมีแล้วกลับลํายากทำให้ลงเอ่ยดียากเมื่อตัดไฟแต่ต้นลมด้วยใจได้อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลัง